ยถ า, าวาริวหาปูราปริปูเรนติสาคารังเอวเมวอีโตทินนางเปตานางอุปกาปเตอิชิตังปัติตังตุมหังคิปะเมวสัมมิจาตโตสเพปูเรนตุสังกป่าจันโทปนรารโสยถ า, ามณิโชติระโสยถ า, าสัพีติโยวิวัตชนตุสัพพโรโค วินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาฒนาสีลิสานิจจังมุท ธ, ธาปจายิโนจัตาโรโอธรรมมาวัฏานติอายุวันโนสุ ข, ขังพาลังสัพพุทธานุภาเวนะสัพธรรมานุภาเวนะสัพสังคานุภาเวนะ พุทธรัตนงังธรรมรัตนงังสังขรัตนงังตินังรัตนานางังอนุภาเวนะจตุราสีติสหัสธรรมขันธานุภาเวนะปิตคตยานุภาเวนะชินาสาวกานุภาเวนะสัพเพเตโรคาสัพเพเตพยาสัพเพเตอันตไรายาสัพเพเตอุปัทวาสัพเพเต ท, ทุนิมิตาสัพเพเตอ а วมังคลาวีนาสันตุ อายุวัฒโกธนวัฒโกสิริวัฒโกยาสวัฒโกพระวัฒโกวันวัฒโกสุขวัฒโกหนตุสัพพธาอายุวัฒกาธนวัฒกาสิริวัฒกายาสวัฒกาพระวัฒกาวันวัฒกาสุขวัฒกาหนตุสัพพธาทุครโรคัพพยาเวราโสกาสัตตุจุปัถวะ อเนกาอันตรายาปิวินาศสันตุจะเตสสาสยะสิทธิทะนังลาพังโสติภาคขยังสุขขังพลังสิริอายุจวันโนจะโผคังวุตทีจยสวาสตวศาเจอายูจะชีวสิทธิพวันตุเตภวะตุสัพพภังขลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะ สัพธรรมมานุพาเวนะสัพสังคานุพาเวนะสัทาโสถีภะวันตุเต